พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระรตยปิฎกเล่มที่เจ็ดหมวดที่แปดสัตตส ต, ติคันทะกะหมวดว่าด้วยพระอรหันต์เจ็ดร้อยรูปในการสังคยนาครั้งที่สองวัตถุสิบประการเมื่อพุทธปริณพาลล่งแล้วหนึ่งรอปีภิกษุพวกวัชีบุตรชาวเมืองภยัยาลีแสดงวัตถุสิบประการซึ่งผิดธรรมวินัยว่า เป็นของควรหรือถูกต้องตามธรรมวินัยคือ 1. เก็บเกลือในเขาสัตว์หรือขนงเอาไว้ฉันกับอาหารได้ซึ่งความจริงต้องอาบัติปาจิตติเพราะเมื่อเก็บไว้ค้างคืนและนำมาปนกับอาหารอาหารนั้นก็เหมือนค้างคืนด้วย 2. ตะวันชายไปแล้วสองนิ้วฉันอาหารได้ความจริงต้องอาบัติปาจิตติเพราะฉันอาหารในเวลาวิการ คือเที่ยงไปแล้ว 3. ภิกษุฉันอาหารในที่นิมนต์จนบอกพอไม่รับอาหารที่เขาเพิ่มเติมแล้วคิดว่าจะเข้าบ้านฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนได้ซึ่งความจริงไม่ได้ต้องอาบัติปาจิตตีสี่พิสุอยู่ในสีมาเดียวกันทําอุโบสถแยกกันได้ความจริงไม่ได้ต้องอาบัติทุกกฏห สงยังมาประชุมไม่พร้อมกันแต่ครบจํานวนพอจะทำกรรมได้ก็ควรทําไปก่อนได้แล้วขออนุมัติหรือความเห็นชอบจากภิกษุผู้มาทีหลังซึ่งความจริงไม่ควร 6. เรื่องที่อุปัชยะอาจารย์เคยประพฤติมาแล้วใช้ได้สำหรับข้อนี้ความจริงถ้าถูกก็ใช้ได้ถ้าผิดก็ใช้ไม่ได้ 7. นมสดที่แปรแล้วแต่ยังไม่เป็นนมส้มพิกษุฉันในที่นิมนต์จนบอกไม่รับอาหารที่เขาถวายเพิ่มให้แล้วคงดื่มนมนั้นได้ข้อนี้ความจริงไม่ได้ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะยังไม่เข้าลักษณะเพสัตห้าแน้ำเมาอย่างอ่อนที่มีรสเมาเจืออยู่น้อยไม่ถึงกับจะทำให้เมาควรดื่มได้ข้อนี้ความจริงไม่ควร 9. ผ้าปูนั่งที่ไม่มีชายควรใช้ได้ข้อนี้ความจริงก็ไม่ควร 10. ทองเงินควรรับได้สำหรับข้อนี้ความจริงไม่ควรถ้ารับต้องอาบัติปาจิตตีพระยา s กากันตกบุตรคัดค้านภิกษุพวกวัชีบุตร เอาถาใส่น้ำเที่ยวเรื่ยรายเงินพวกอุบาสกที่มาในวันอุโบสถเพื่อเป็นค่าบริการของพระสงฆ์พระยะศักกาการตกาบุตรซึ่งเป็นพระมาจากที่อื่นกล่าวห้ามอุบาสกเหล่านั้นว่าไม่ควรทำแต่เพราะไม่รู้วินัยเขาจึงให้ไปตามที่เคยให้มาตกลางคืนภิกษุเหล่านั้นแบ่งเงินกันแล้วเฉลี่ยมาให้พระยะศกาการตกรบุตร ท่านปฏิเสธก็โกรธเคืองหาว่าท่านด่าอุบาสกเหล่านั้นจึงประชุมการลงปฏิสารณียกรรมคือให้ไปขอขมาชาวบ้านพระยะศาสการกันตะกับบุตรจึงอ้างวินัยว่าจะต้องมีพระเป็นทูตไปด้วยหนึ่งรูปเมื่อภิกษุวัชีบุตรสวดประกาศแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งมอบให้ไปด้วยแล้วพระยะศะก็เข้าไปหาอุบาสกเหล่านั้น ชี้แจงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายข้อห้ามรับทองเงินอุบาสกเหล่านั้นได้ทราบข้อวินัยก็เลื่อมใสพระยศและกล่าวประนามภิกษุวัชีบุตรเมื่อกลับจากที่นั้นภิกษุที่เป็นทูตร่วมไปด้วยก็แจ้งให้ภิกษุวัชีบุตรทราบตั้งพากันโกรธเคืองพระยศอ้างว่าการที่พระยศไปพูดกับคนเหล่านั้น เป็นการไปแจ้งความแก่ขรือหัดโดยไม่ได้รับแต่งตั้งจากสงฆ์จึงควรอุเคปนิยกรรมคือยกเสียจากหมู่ไม่ให้ใครครบด้วยการสังคยานาครั้งที่สองพระยะศักากันตกับบุตรจึงหนีไปชวนพระเทระที่เห็นแก่ธรรมวินัยหลายรูปซึ่งเป็นประมุขสงฆ์อยู่ในที่ต่างๆ เช่นพระสภากามีพระสาระพระอุชชาโสภิตะซึ่งบางแห่งว่าขุชชาโสพิตะพระวาสภาคามิกะ k สี่รูปนี้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายตะวันออกพระเรวตตะพระสัมผูตะสารวาศีพระยะกากันตกบุตรพระสุมาณะสี่รูปนี้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายตะวันตกคือชาวเมืองปาฐา รวมทั้งพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอันมากถึงเจ็ดร้อยรูปประชุมกันณวาลิการามโดยมีพระอาทิตะผู้มีพรรษาสิบเป็นผู้ปูอาสนะวินิจฉัยวัตถุสิบประการแสดงที่มาที่ทรงห้ามไว้ปรับอาบัติไว้อย่างชัดเจนชี้ขาดด้วยมติของสงฆ์ให้วัตถุสิบนั้นผิดธรรมผิดวินัยไม่ใช่สัตถุศาสนา มาเหตุจากหนังสือประวัติการทำสังคยนาทั้งสองคราวคือครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนี้มีมาในพระไตรปิฎกด้วยเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มไว้เมื่อสังคยนาครั้งที่สเพื่อให้เป็นหลักฐานความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัย